3- ม, มานัตตาระหะวัตต์ว่าด้วยวัดของภิกษุผู้ควรแก่มานัตสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายผู้ควรแก่มานัตยินดีการที่ปกตศตะภิกษุทั้งหลายกราบไหว้ลุกรับและการถูหลังให้ในคราวอาบน้ำบรรดาภิกษุผู้มักน้อยสันโดษละ ตำนิประนามโพนธนาว่าฉไนภิกษุทั้งหลายผู้ควรแก่มานัดจึงยินดีการที่ปก ต, ตะภิกษุทั้งหลายกราบไหว้ลุกรับและยินดีในการถูหลังให้ในคราวอาบน้ำเล่าครั้นได้นำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ